รูปยืนเดินนั่งนอนรูปหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ไม่จัดว่าเป็นรูปแทรูปแทเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นอะไรพวกนี้เป็นรูปแทรูปข้างเคียงเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนก็ไม่จัดเป็นรูปแทในตำรา บ, บอกเอาไว้ทำวิปัสสนาไม่ได้จะไปดูรูปไม่ได้ไม่ได้จริง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 ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลเดิมทางโดยสมมติบัญญัติก็เป็นนามสกุลเดิมโดยปรมามัดแท้ๆก็ไม่ใช่ละวแล้วามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าไม่งันพระพุทธเจ้าเวลาท่านพูดถึงพระอริยะท่านจะบอกลูกของเราอย่างนางวิสาขานี่ก็ลูกเราอนาถิานทิกาก็ลูกเราทําไมมีเราด้วยเราโดยโวหารพูดให้คนอื่นรู้ ความจริงเป็นเนื้อแท้อันเดียวกันเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันนะจิตจะทำอันอันเดียวกันนะค่อยภาวนาไปเป็นลำดับลำดับนะต้องตัดสี่ผลตัดครั้งที่หนึ่งนะพอจิตออกจากอริยผลที่เห็นนิพพานสองสามขนาดนะจิตจะกลับมาสู่กามาวัาจจเรปุ่มอย่างที่พวกเราอยู่นี่นะจิตจะถอยออกมาเลยนะถอยออกมามันจะทวนกระแสะพิจณา